มิลินธปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัดติยวัคปุริมะโกติปัญหาที่สองถามว่า ที่กล่าวว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนั้นนับตั้งนามตั้งรูปถอยหลังไปได้แก่อดิตการมรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การปุจชาอัถปัญหาสืบต่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชายานเป็นอันดีพระผู้เป็นเจ้าว่ากับโยมเมื่อกี้นี้ว่า ปุริมะโกติณปัญญาญติที่สุดเบื้องต้นแห่งการไม่ปรากฏและที่สุดเบื้องต้นแห่งการไม่ปรากฏนั้นคือการที่เป็นอดีตล่วงไปนับถอยหลังลงไปว่าตั้งนามตั้งรูปนั้นแต่ครั้งนั้นได้แก่อดีตการที่ล่วงไปนี้กระนั้นหรือประการใดพระนาคเกษนถวายพระพรว่า อดิตการล่วงไปนี้มีที่สุดเดิมไม่ปรากฏดุจพระองค์การถามขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรราชองค์การถามพระนาเกษว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่สุดเดิมโดยเหตุอื่นนี้จะไม่ปรากฏทีเดียวเจียวหรือหรือว่าจะปรากฏบ้างประการใด พระนาคเษนถวายพระพ ร, พรพยากรแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐซึ่งพระราชโอการตรัถามนั้นบางทีก็ปรากฏณปัญญายติบางทีก็ไม่ปรากฏขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรทรงซักถามว่าบางทีก็ปรากฏนั้นอย่างไร บางทีไม่ปรากฏนั้นอย่างไรพระนาคเกษนวิสัชนาแก้ไขว่าสิ่งทั้งปวงที่ไม่มีที่สุดเดิมมาแต่ก่อนเลยนั้นและเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏประการหนึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มีกลับมีขึ้นแล้วปราศจากไปอย่างนี้เรียกว่าที่สุดเบื้องต้นปรากฏพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโ์การตรัสว่า นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาซึ่งบทที่ว่าที่สุดเดิมไม่ปรากฏจะเหมือนด้วยสิ่งอันใดพระนาคเษนก็สำแดงบทอุปมาว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดต้นไม้ประกอบไปด้วยใบดอกออกผลครั้นหล่นลงเหนือปัทพีก็งอกขึ้นเป็นต้นลำผลิดอกออกผลต่อต่อกันมานั้น ที่สุดเดิมอยู่ที่ไหนนะบอบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าจะหาที่สุดเดิมนั้นหาไม่ได้พระท่ า, าเกษณถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีฝูงสัตว์ที่เกิดมานี้หาที่สุดเดิมมิได้ดุดต้นไม้นั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะออค์การตรัสว่าโยมยังสงสัยอยู่จงอุปมาอุปไัยให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก่อนพระนาคเกษณจึงมีเถระวาจาถวายพระพร อ, อุปมาว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารกุกกุติยาอันดังอุปมาดังไข่ไก่ธรรมดาว่าไข่ไก่เป็นตัวอยู่ในคันใหญ่ขึ้น ก็ทำลายกระเปาะเจาะจิกออกได้ครั้นโตใหญ่ที่ไก่ตัวเมียนั้นได้สัมผัสกันกับไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียก็มีไข่ออกตัวต่อต่อไปที่สุดเดิมอยู่ที่ไหนพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าหาที่สุดเดิมไม่ได้โดยแท้พระนาคเษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีที่สุดเดิมแห่งการที่สัตว์เกิดมา และจะสแสวงหาเดิมว่าเป็นรูปเป็นนามแต่ครั้งไรมากําหนดไม่ได้เหมือนไข่ไก่กระนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่านิมนุปประมาณให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกพระนาคเกษจึงให้พระเจ้ากรุงมิลินภูมิินทราธิบดีเขียนรูปกรงจักรลงไว้แล้วจึงมีเทระวาจาว่า มหาราชาดูราณะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระทศพลยานเจ้าตรัสประธานพระสัทธรรมเทศนาว่ารู ป, ปธรรมกับนามธรรมนี้เกิดเวียนอยู่ดุดกงเกวียนกงลถและกงจักหามีที่สุดเดิมไม่หรือมหาบอพิษจะเห็นเดิมที่สุดต่อกันประการใดพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่า ไม่เห็นที่สุดต่อกันว่าเดิมนั้นครั้งไหนพระนาคเษนจึงถวายพยากรณ์แก้ไขว่าเหตุฉนี้พระพุทธดีการตรัสไว้ว่าจักขุหนึ่งโซตะหนึ่งคานะหนึ่งชิวหาหนึ่งกายะหนึ่งมโนหนึ่งธรรมะหกประการ น, นี้ให้สัตว์เวียนวนอยู่ในสงสารมีการเบื้องต้น ไม่ปรากฏว่านานเท่าไรมาจึงตรัสเทศนาไว้ว่าจักขุจะเห็นอาศัยมีรูปเมื่อจักขุเห็นรูปแล้วก็กระทบถึงวิญญาณให้รู้ว่ารูปสิ่งนั้นตกว่าจักขุอาศัยรูปจึงเกิดวิญญาณสิ่งสามประการ น, นี้มีขึ้นจึงบังเกิดผัสสะพิษเพ่งดูรูปนั้น ถ้ารูปนั้นดีก็เกิดสุขเวทนาถ้ารูปนั้นชั่วก็เกิดโทมานัสเวทนาถ้ารูปนั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชังก็บังเกิดอุเบขาเวทนานี่แหละเมื่อเวทนาบังเกิดเสวยอารมณ์ได้เห็นที่ต้องใจและไม่ต้องใจชิงชังอยู่นั้นตัณหาปรารถนาก็บังเกิด ที่ต้องใจต้องประสงค์ก็ปรารถนาจะใคร่ได้ที่ชิงชังไม่ต้องใจก็ปรารถนาจะฆ่าฟันตัวอุปาทานนั้นก็บังเกิดขึ้นอาศัยตัณหาอุปาทานให้ถือมั่นให้ปรารถนาจริงจังนั่นแหละจึงกระทำบาปกรรมอาศัยตัวอุปาทานนั้นเป็นปจัจจัยค้าชูให้กระทำบาปกรรมพ้นบาปกรรมนั้น ก็แต่งให้เกิดมีจักขุเสวยทุกข์ไปอีกเล่าแต่ต่อต่อเวียนไปไม่รู้ว่าสักเท่าไรที่สุดเดิมอยู่ที่ไหนเล่าบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมีลินมีพระราชออคงการว่าจะหาเดิมไหนเล่าด้วยต่อต่อเวียนมานานกว่านานในการนั้นอันหนึ่งจะวิสัชนาให้เข้าใจที่จักขุเห็นรูปฝ่ายบุญได้แก่สาธุสัตว์บุรุษ ที่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นจึงมาบำเพ็ญการกุศลต่างๆกุศลที่สร้างไว้นั้นเรียกว่ากุศ ล, ลกรรมก็แต่งผลให้เกิดเสวยสุขตั้งรูปตั้งกายเป็นจักขูต่ต่อๆไปจะ ก, กำหนดที่สุดเดิมไม่ได้เหตุชะนี้จึงโปรดไว้ให้ปรารถนาพระนิพพานจะได้ไม่เกิดเสวยสุขเสวยทุก์ต่อไป สาธุสัตบุรุษพึงเข้าใจพอเป็นสังเขปเท่านี้พระนาคเษนเถระ เ, เจ้าจึงวิสันาด้วยโสตะและคานะชิวหาและกายะและมโนเป็นข้อข้อไปโสตะนั้นได้แก่หูทั้งสองข้างจะฟังเสียงอันเป็นฝ่ายบุญฝ่ายบาปนั้นก็คืออาศัยเสียงอันเป็นฝ่ายบุญฝ่ายบาปมีหู จึงจะได้ยินเสียงเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็กระทบกับวิญญาณให้รู้ว่าเสียงเมื่อสิ่งทั้งสามบังเกิดคือโสตะแปลว่าหูหนึ่งสัทธะแปลว่าเสียงหนึ่งกับวิญญาณหนึ่งเสริเป็นสามประการนี้สืบต่อกันดังนี้จึงจะเป็นหูได้ยินเสียงรู้ว่าเสียง ขณะนั้นจึงมีผัสสะบังเกิดเมื่อผัสสะบังเกิดมีลักขณะกระทบอารมณ์เกิดเวทนาในเสวยอารมณ์เวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาคือปรารถนาเมื่อตันหาบังเกิดแล้วตันหาก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้อุปาทานถือมั่นบังเกิดเมื่ออุปาทานคือตัวถือมั่นบังเกิดแล้ว ก็เป็นปัจจัยให้กระทำกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่างๆกุศลกรรมอกุศลกรรมนั้นก็ให้ผลเกิดเป็นรูปธรรมนามธรรมตั้งโสดอีกเล่ากระทำกรรมด้วยอาศัยโสดดุดวิสัชนามานี้หรือก่อเกิดไปอีกเล่าก็กระทำซึ่งกรรมอีกเล่าเฝ้าแต่วงเวียนเหมือนกงเวียนกงจากกงรถ ปรากฏว่าเดิมอยู่ที่ไหนนะบอบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งมีคานะคานะแปลว่าจมูกจมูกจะดมกลิ่นก็อาศัยแก่คันทะคันทะนี้คือกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเมื่อกลิ่นมีแล้วคานะคือจมูกก็สูดดมรู้จักกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นดังนี้กระทบถึงวิญญาณ ให้รู้จักกลิ่นนั้นสิ่งสามประการคือคารณะจมูกหนึ่งคือคันทะกลิ่นหอมเหม็นหนึ่งคือวิญญาณให้รู้จักกลิ่นหนึ่งสืบต่อกันพร้อมสามประการนี้จึงบังเกิดผัสสะขึ้นผัสสะมีลักษณะกระทบเอาคันธารมเมื่อผัสสะบังเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนามีลักษณะเสุเบยอารมณ์คืออารมณ์ดี อารมณ์ชั่วอารมณ์เป็นอุเบกขาเมื่อเวทนาบังเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาบังเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเมื่ออุปาทานบังเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยให้กระทําซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมฝ่ายว่ากุศลอกุศลกรรมก็แต่งผลให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในภพ เกิดเป็นคารณอีกเล่าต่อๆวงเวียนดุดกงจักกงเกวียนกงรถจะได้มีเดิมปรากฏหาไม่ได้นะบ่อพิษพระราชสมภารประการหนึ่งยังทำคือชิวหาชิวหานั้นแปลว่าลิ้นลิ้นจะรู้จักรถก็อาศัยแก่มีวิญญาณทำสามประการคือชิวหาแปลว่าลิ้นประการหนึ่งคือรถ แปล ว, ว่าสัพพรสทั้งปวงประการหนึ่งคือวิญญาณรู้จักว่ารสคาวรสหวานเป็นอาทิประการหนึ่งสิริเป็นสามประการนี้เป็นสันตติตั้งขึ้นสืบสืบมาคือชิวหาอาศัยรสชิมรสแล้วมีวิญญาณตั้งขึ้นรู้ว่ารสนี้ตั้งสันตติสืบสายกันแล้วผัสโสเวทนาตัณหาอุปาทานก็บังเกิดเป็นปัจจัยอุดหนุนกัน ให้เกิดเป็นลำดับกันเมื่ออุปาทานบังเกิดแล้วก็ให้กระทากุศลกรรมและอกุศลกรรมพ้นแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็นำไปปฏิสนธิตั้งชิวหาอีกกระทากรรมเหตุด้วยรถอันพานชิวหาอีกเล่าจะหาที่สุดเดิมว่าเป็นชิวหาตั้งขึ้นเกิดขึ้นมาแต่การครั้งไรมาก็ไม่ปรากฏ ดุดโกงรถโกงจักหาเดิมไม่ได้นะบ่อพิษพระราชาสมภารประการหนึ่งคือกายนี้อาศัยโพธพภะธรรมคือสิ่งอันอ่อนและกระด้างเคล้าคลึงเหยียบนวดเบียดสีเป็นต้นชื่อว่าโพธพะเมื่อกายต้องโพธพะอาศัยกันดังนี้ก็มีวิญญาณสันตติสืบสายสามประการนี้ขณะนั้น ก็มีผัสโสเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยค้ำชูอุดหนุนแก่กันเกิดเป็นลําดับมาเมื่ออุปาทานบังเกิดแล้วก็ให้กระทํากรรมอันเป็นกายสัมผัสฝ่ายกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็แต่งผลให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ในพีภพตั้งเป็นกายแล้วก็กระทํากรรมอาศัยกายต่อไปดังนี้เล่า สิ้นการช้านานและจะกําหนดว่าตั้งเป็นกายเดิมแต่ครั้งไหนมามิได้ปรากฏดุดกงจกักรโกงรถจะได้ปรากฏว่าข้างไหนเป็นต้นนั้นหามิได้นะบอผิด พ, พระราชสมภารอีกประการหนึ่งคือมโนมโนแปลว่าน้ําใจก็อาศัยแก่ธรรมธรรมนั้นได้แก่ธรรมมีบัญญัติละเอียดสุดละเอียดแสนละเอียด บังเกิดในมโนทวารดุดฝันเห็นกรณีก็ดีและให้ตรึกตรองในมโนทวารฝ่ายอากุศลให้คิดวิหิงสาวิตกอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิเห็นผิดก็ดีมีธรรมดังนี้เป็นต้นฝ่ายกุศลให้เจริญพรหมวิหารคิดกระทากุศลเป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา เกิดขึ้นในมนุทวารทั้งสองประการอาศัยกันชนีจึงเกิดวิญญาณพร้อมด้วยสันตติสามประการสืบต่อกันดังนี้ก็มีผัสโศเวทนาตัณหาอุปาทานถือมั่นเป็นปัจจัยอุดหนุนกันค้ำชูกันให้บังเกิดเป็นลำดับถืออุปาทานอุปาทานก็เข้าอุดหนุนค้ำชูให้สเร็จกิจ ที่จะกระทากุศลกรรมและอกุศลกรรมได้ฝ่ายกุศลกรรมอกุศลกรรมทั้งปวงก็เข้ารับช่วยแต่งผลให้ไปเสวยสุขเสวยทุกข์เกิดเป็นไปในภพใหม่อีกเล่าเกิดขึ้นแล้วหรือกระทากรรมอันเป็นมโนกรรมไปใหม่เล่าเกิดอีกเล่าเฝ้าแต่เป็นเช่นนี้ไปจะ ก, กำหนดเดิมไม่ได้ว่าตั้งแต่เกิดเป็นจิตใจแต่เมื่อไรมาไม่ปรากฏ เวียนวนอยู่ดังกงจักกงรถจะได้มีเบื้องต้นปรากฏแห่งอดีตการเกิดแล้วก็ล่วงลับไปจะนับประมาณมิได้ขอบอพิษมหิศราธิบดีจงทราบในวิถีมโนทวานด้วยประการชนี้อันหนึ่งท่านสาธุปัจจัยทานทายกนานาได้ฟังจากกังขาสนเทศในใจว่าตัณหาอุปาทานนี้ เป็นที่จะให้เกิดในสงสารก็เหตุฉไฉยพระนาคเษนจริงว่าจะกระทํกากุศลก็ดีอกุศลก็ดีอาศัยแก่ตันหากับอุปาทานนั้นพระโยคาวจรเจ้าจำเริญสมถกรรมฐานนี้หวังจะตัดตันหาอุปาทานจึงกระทําการกุศลแต่พระนาคเษนเถ ร, ระเจ้ามาว่าตันหาอุปาทานเป็นต้น ย่อมเป็นปัจจัยให้กระทำกุศลนี้เป็นที่สงสัยจึงวิสัชนาว่าตัญหามีร้อยแปดประการจะวิสัชนาแต่ตันหาสามคือกามาตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหากามตันหานั้นได้แก่ตันหาในกามภพบสบอ็ดชั้นคืออบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งเป็นห้า กามาวจรสวรรค์หกชั้นสิริเป็นสิบเอ็ดชั้นด้วยกันจึงจะว่าให้เห็นว่าที่ตัณหาอุปาทานอันเป็นปัจจัยอุดหนุนฝ่ายอากุศลนั้นก็ให้สัตว์ลงไปทนทุกข์ในนรกและอบายดังนี้เรียกว่าฝ่ายบาปฝ่ายบุญนั้นตัณหาอุปาทานก็ค้ำชูอุดหนุนให้กระทําบุญก็ได้ไปเกิดในตระกูลมนุษย์เป็นกษัตริย์มหาศาล พระมหาศาลคฤ ร, รหะบดีมหาศาลและเป็นเทพพบุตรเทพพธิดาในชะกามาวาจรสวรรค์ดังนี้ชื่อว่ากามะตัณหาเหตุฉนี้พระนาคเสนจริงวิสัชนาให้ชัดว่าตัณหากับอุปาทานนี่แหละเป็นปัจจัยอุดหนุนมั่นคงคือที่จะทำบุญและกรรมประการหนึ่ง จะสำแดงด้วยภาวะตันหาภาวะตันหานั้นได้แก่บุคคลจำเริญนรูปประชานได้ไปเกิดในรูปประพรมสหชั้นวิภวะตันหานั้นได้แก่บุคคลจำเริญอรูปประชานได้ขึ้นไปเกิดในอรูปประพรมประการหนึ่งถึงว่าจะได้พระโสดาปติพนพระสกิทาคามิผลก็ดีพระอนาคามิผลก็ดี ยังมีตัณหาอุปาทานเป็นปัจจัยค้ำชูให้กระทํากุศลอยู่ได้ไปเกิดในภพบเบื้องบนเหตุฉชนี้พระนาคเษนผู้เป็นองค์เอกอรหันจึงวิสัชนาว่าตัณหาอุปาทานนี้เป็นปัจจัยอุดหนุนให้กระทากุศลต่อเมื่อได้สำเร็จพระอรหันตผลแล้วจึงจะขาดจากตัณหาอุปาทานเข้าพระนิพพานไป ท่านสาธุสัตบุรุษจงสันนิฐานเข้าใจด้วยประการชะนี้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาชาวสาคละนครได้ฟังปัญหาพยากรของพระนาคเสนแก้ไขมีน้ำพระไทยชื่นบานหันษาตรัสว่ากันโลสิสาธุสัพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรอยู่แล้ว ปุริมะโกติปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้